เรื่องเล่าของบางสูสต์ตอนที่สามสัมผัสสยองสวัสดีครับกลับมาพบกันกับสัมผัสสยองอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวในตอนจบของคุณบางสูส จากเหตุการณ์ในสามวันที่ผ่านมาคุณบางสุดและครอบครัวได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่ในวันแรกเขาได้พบเจอกับวิญญาณของคนที่คิดว่าน่าจะเป็นบรรพบรุษของเขามันทำให้เขาและครอบครัวถึงกับคนลุกไปตามๆกันหลังจากนั้นในวันที่สองขณะที่ลุงกับพ่อของเขากำลังตั้งสารใหม่อยู่นั้นคุณบังสุดแม่และป้าของเขา ก็ได้เจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ตรงบริเวณศาลนั้นและในวันที่สหลังกลับจากตลาดเมื่อคุณบางสุดกลับมาถึงบ้านพร้อมกับพ่อและป้าของเขาก็เห็นว่าพนักงานส่งของได้เข้าไปติดตั้งทีวีภายในบ้านเสร็จแล้วพนักงานทั้งสามคนได้บอกว่ามีคนที่อยู่ในบ้านอนุ ญ, ญาตให้เข้าไปได้แต่ความเป็นจริงแล้ว ในบ้านนั้นไม่มีใครอยู่เลยจนมาถึงวันที่สเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเรามารับฟังพร้อมๆกันเลยครับแต่ถ้าหากใครที่ยังไม่เคยได้รับฟังในตอนแรกและตอนที่สองก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องเล่าของบางซูสตอนที่หนึ่งกลับมาแล้วเหรอลายเรื่องเล่าของบางซูสตอนที่สองขอบใจนะที่ทําสารให้ที่เป็นเรื่องราวของวันที่สอง และกูอยากดูซึ่งเป็นเรื่องราวของวันที่สามได้นะครับผีพงเสียงจิ้งหรีดร้องในยามค่ำคืนพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายลงอย่างช้าๆบรรยากาศคืนนี้ช่างสดชื่นและได้ความเป็นธรรมชาติจริงๆแต่ก็แอบซ่อนความวังเวงน่ากลัวอยู่ ยังไงชอบกลมีเพียงแสงสว่างจากดวงจันทร์รำไรเท่านั้นที่ส่องแสงให้พอได้มองเห็นได้เพียงน้อยนิดเสียงพูดคุยสนทนาก็ดังอย่างสนุกสนานพร้อมกับเสียงหัวเราะใช่ครับเสียงที่ดังนั้นคือครอบครัวของผมเองกําลังทานอาหารไปพร้อมกับคุยเรื่องวันวานในอดีตให้กันฟังแกๆก็สนุกอยู่ล่ะครับ ไปไปมามาบนเข้าเรื่องผีซะอย่างงั้นคนที่เล่าจะเป็นใครไปไม่ได้ก็พ่อของผมเองนั่นแหละครับดูทีแรกทำเหมือนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยสักเท่าไหร่หรือพ่อผมไม่อยากที่จะรื้อฟืน้นความทรงจำเก่าๆที่มันไม่น่าจดจำหรือเปล่าผมคิดในใจพ่อผมได้เล่าว่าเมื่อครั้งหนึ่งตอนที่พ่อยังเด็กพ่อได้ซักเสื้อนักเรียน แล้วตากไว้ตรงหน้าบานพอตื่นเช้ามาก็มักจะมีคราบเลือดติดที่เสื้อนักเรียนเป็นประจำเหมือนกับว่ามีใครมาเช็ดมือหรือเช็ดปากอะไรอย่างนั้นเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งจนปู่ได้แนะนําว่าให่อยากรู้ว่าใครมาเช็ดให้ต้มน้ําเลือดแล้วใส่เสื้อนักเรียนลงไปในหม้อสิเดี๋ยวเออคนที่เช็ดมันก็เดินมาหาเองแหละ พ่อผมไม่รอช้าครับรีบตั้งหม้อน้ำจนเดือดแล้วใส่เสื้อนักเรียนตัวที่เปื้อนเลือดลงไปไม่ทันไรก็ได้มีหญิงแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมกับประมือสองข้างกุมที่ปากแล้วร้องด้วยความเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วหญิงแก่คนนั้นก็พูดว่ามึงเะเสื้อออกเดี๋ยวนี้นะ กร้อนปา เ, เมื่อพ่อเห็นอย่างนั้นก็ตกใจรีบเอาเสื้อออกจากน้ําที่เดือดแล้วหญิงแกคนนั้นก็เดินจากไปพร้อมกับเหลียวหลังมามองด้วยหางตาทิ้งความสงสัยให้พ่อผมยืนงงอยู่อย่างนั้นจนปูได้เดินมาบอกว่านี่ไงคนที่มันมาเช็ดเสื้อเองทุกๆคืนมันเป็นปอบชาวบ้านเขาลือกันว่าอย่างนั้น หลังจากนั้นเสื้อนักเรียนของพ่อผมก็ไม่เคยมีคราบเลือดอีกเลยยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับพ่อผมยังเล่าเรื่องที่สองให้ฟังอีกพ่อได้พูดขึ้นพร้อมกับชี้มือไปที่เสากลางบ้านเห็นเสาต้นนี้ไหมทุกคนพยักหน้าพร้อมกันพ่อผมจึงได้เล่าต่อไปว่าช่วงที่ทําบ้านหลังนี้ใหม่ๆทุกคนในบ้าน มักจะเห็นผู้หญิงเดินออกมาจากเสาแล้วก็หายไปบางครั้งขณะที่เดินผ่านยังจุดนี้อยู่ดีๆก็เหมือนมีคนมาจับขามังหรือเรียกชื่อมังบางครั้งถึงกับโผล่หัวออกมาจากเสาแต่ที่หนักสุดก็เจอลากลงจากที่นอนลงมาตรงพื้นนี่แหละครับลากลงมาตรงพื้นยังไม่พอยังจะลากมานอนตรงใกล้ๆเสาอีก พ่อบอกว่าตกกลางคืนทีไรไม่มีใครอยากจะเดินผ่านเสาต้นนี้เลยโดยเฉพาะเดินคนเดียวทั้งทั้งที่เป็นบ้านของตัวเองแท้ๆพอพ่อผมพูดเสร็จก็หัวเราะหลังจากที่ทุกคนกินอิ่มนั่งท้องตึงหนังตาก็เริ่มหยอดแล้วครับผมกับน้องชายจึงช่วยกันขนจานไปล้างที่หลังบ้านกัน ในขณะที่ผมกำลังยืนล้างจานอยู่นั้นน้องชายผมที่นั่งยองๆได้มองออกไปที่หลังบ้านผมจึงถามน้องว่ามองอะไรอยู่นะ่ะน้องผมชี้นิ้วพร้อมกับพูดเบาๆว่าใครไม่รู้มานั่งตรงหลังบ้านเราผมชะโงกหัวออกไปมองก็เห็นเป็นร่างชายคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆทำอะไรสักอย่างในทีมืดผมคิดในใจ สงสัยน่าจะเป็นใครสักคนในบ้านเราแน่เลยตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรืออะไรหรอกครับเพราะสองตาของผมมันโฟกัสกับเสาตรงกลางบ้านที่พ่อเล่าไว้เมื่อกี้อย่างเดียวเลยหลังจากล้างจานเสร็จผมกับน้องก็เดินกลับมาตรงวงสนธนาที่ยังนั่งคุยกันอยู่ผมสอดสายตามองคนในบ้านที่อยู่ในตอนนั้น เฮ้ย hey, ทุกคนก็อยู่ครบกันนี่ผมจึงไม่รอช้ารีบบอกแม่โดยเร็วมีใครนั่งทำอะไรอยู่ตรงหลังบ้านไม่รู้แม่ผมพูดจบแม่ผมก็ไม่รอช้ารีบลุกขึ้นไปดูในทันทีแต่ผมไม่เดินไปกับแม่นะครับเพราะผมกลัวแม่เดินเข้าไปในครัวได้ไม่ทันไรก็รีบวิ่งออกมาพร้อมกับพูดว่าผีพง์ ผีพงผีพงทุกคนต่างตกใจที่เห็นแม่วิ่งออกมาด้วยอาการเหมือนเจอผีแม่เล่าว่าแม่เดินตรงไปที่หลังบ้านเห็นเหมือนเป็นผู้ชายกำลังนั่งกินอะไรสักอย่าง้ายจะเป็นกบหรือเขียดอะไรอย่างนั้นแม่ยืนจ้องอยู่พักหนึ่งชายคนที่กำลังนั่งกินอยู่ได้หันมามองด้วยสายตาที่แดงกล่ำ พร้อมกับเอ่ยว่าผีพงษีผีพงษีผีพงเท่านั้นยังไม่พอชายคนนั้นยังพูดต่ออีกว่ากูขอเข้าไปข้างในได้ไหมแม่ผมไม่ได้ตอบอะไรกับชายคนนั้นและได้รีบวิ่งมาอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับพ่อผมจึงลุกขึ้นไปดูแต่กลับไม่เจอชายคนที่แม่บอกไว้เลย พ่อกลับมาแล้วปลอบแม่ว่าไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องคิดมากวันนี้พักผ่อนเถอดดึกแล้วป้าผมเห็นสถานการณ์ในตอนนั้นชักดูไม่ค่อยดีแล้วป้าจึงเดินไปปิดประตูทั้งหน้าบานและหลังบานพร้อมกับใส่แม่กุญแจล็อกประตูทั้งสองบานในขณะที่ทุกคนกำลังเริ่มที่จะเข้านอนก็ได้เกิดเสียง มันเป็นเสียงเคาะประตูนั่นเองมันดังทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านแล้วก็ไปดังตรงหน้าต่างพร้อมกับเขย่าประตูทั้งสองอย่างรุนแรงไม่รู้ว่าผีหรือคนกันแน่ในวินาทีนั้นผมยอมรับครับว่ากลัวจริงๆไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแล้วเสียงเสียงหนึ่งก็ดังมาจากนอกบ้านผีโ พ, พงผีโ พ, พง อีพงลืมบอกกล่าววันที่ห้าเสียงไก่ขันในยามเชา้าพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆที่กระทบเข้ากับดวงตาทุกคนตื่นมาพร้อมกันแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกันนี่ แต่ก็ไม่ได้มีใครพูดอะไรต่อทุกคนต่างลุกขึ้นเพื่อทําธุระของตัวเองในยามเช้าเนื่องจากวันนี้ต้องเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วผมกับน้องตื่นขึ้นมาก็หิวขนมเลยครับก็แปลกนะแทนที่จะหิวข้าวผมไม่รอช้าบอกให้น้องไปขอตังแม่ถ้าผมขอมีหวังโดนแต่เช้าแ น, แน่ให้น้องเป็นหน่วยกล้าตายดีกว่าครับ แ ล, แล้วก็ได้ผลหลังจากได้เงินมาแล้วผมกับน้องก็เดินตามทางไปยังจุดหมายคือร้านชำที่อยู่ริมถนนห่างจากตัวบ้านไปประมาณ500เมตรในขณะที่เรากำลังเดินกันสองคนพี่น้องผมก็ได้เห็นลูกบอลลูกหนึ่งขนาดของมันน่าจะประมาณเบอร์สามได้กำลังพอดีกับเท้าของผมและน้องเลยไม่ใหญ่จนเกินไป เมื่อซื้อขนมเสร็จเรียบร้อยผมก็ไม่พลาดที่จะเอาลูกบอลลูกนี้กลับเนื่องจากดูแล้วไม่น่าจะมีเจ้าของแน่ๆถ้ามีคงไม่มาทิ้งๆคว้างๆริมถนนแบบนี้หรอกผมไม่รอช้าค่อยๆใช้เท้าเลี้ยงบอลประคองไปเรื่อยๆจนถึงบ้านพอถึงบ้านผมกับน้องก็จัดการสวมบทเดวิดเบคแฮมซะเลยที่แรก ก็เล่นเตะสรงกันไปมาเรื่อยๆแต่น้องของผมนี่สิครับมันเบื่อแล้วผมเลยต้องเล่นคนเดียวแต่จะเล่นยังไงให้สนุกดีละ่ะผมยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าข้างๆสารมีต้นกล้วยนี่นาะเตะบอลอัดต้นกล้วยดีกว่าจะได้ไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยด้วยแต่อัดไปเดี๋ยวมันก็กระเด็นกลับมาหาเราพอคิดได้ดังนั้น ผมก็รีบวิ่งไปยังจุดหมายอย่างไวผมเริ่มบรรจงเตะอย่างเมามันสนุกมากครับยิ่งเสียงกระทบกับต้นกล้วยดังผมยิ่งรู้สึกสนุกเตะไปเรื่อยๆจนเห็นได้ชัดเลยครับว่าต้นกล้วยเริ่มมีรอยบุบยุบและแตกที่โดนลูกบอลกระแทกเข้าไปแต่มีจังหวะหนึ่งที่ทำมาผมถึงกับงงผมค่อยๆบรรจงปัน่น กัจะให้โค้งสวยๆแต่เท้ามันดันไม่ตรงกับสมองนี่สิครับเจ้าลูกบอลลูกนี้มันไม่ไปโดนต้นกล้วยแต่มันดันไปโดนสารทําให้ตุกตาบนสารกระเด็นกระดอนกระจายไปตามความแรงของลูกบอลลูกบอลห้อยๆไหลไปจนไปถึงบริเวณใกล้ๆต้นกล้วยเมื่อผมเห็นอย่างนั้นก็เรีบเลยครับไม่งั้นผมโดนเฉชงแน่ๆงานนี้ ผมจัดการตั้งตุกตาในสารให้อยู่ในสภาพเดิมให้เหมือนเดิมที่สุดเท่าที่ผมจะจำได้ว่าตัวไหนตั้งอยู่ตรงไหนผมใช้เวลาไม่นานในการเก็บเพราะกลัวใครจะมาเห็นเขาค่อยโล่งหน่อยผมอูทานคืนพร้อมกับถอนหายใจอย่างแรงเมื่อกลบเกลื่อนความผิดเรียบร้อยแล้วผมก็ได้หันไปเพื่อที่จะหยิบเจ้าลูกบอลไปด้วย แต่ว่าลูกบอลมันกลับหายไปไหนแล้วผมเดินวนรอบสารอยู่หลายรอบหาบริเวณพุ่มไม้หลังสารและบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดแต่ก็ไม่เจอจนผมเริ่มทอดใจไม่เอาก็ได้วะแล้วผมก็เดินกลับบ้านพร้อมกับถุงขนมที่มือเดินไปกินไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และแล้วผมก็ต้องตกใจและงงหนักเข้าไปอีกลูกบอลมันไปอยู่บนชั้นสองของบ้านมันมาได้ยังไงในขณะที่ผมกำลังมึนงงและสงสัยอยู่นั้นป้าผมก็หยิบมันลงมาพร้อมกับถามว่าลูกบอลของใครกันเนี่ยทำไมถึงมาวางใต้โต๊ะที่วางโ ก, กรดกระดูกผมได้แต่ยืนนิ่งและเงียบไม่ตอบอะไรทั้งนั้น ป้าจึงให้ผมเอาลูกบอลไปไว้ข้างนอกผมรับลูกบอลจากป้าพร้อมกับมองที่ลูกบอลใช่เลยมันคือลูกบอลที่ผมเตะเมื่อกี้กลิ่นของต้นกล้วยยังติดลูกบอลอยู่เลยแต่ผมก็ได้โยนลูกบอลทิ้งไปโดยไม่สนใจเพราะแม่ผมเรียกให้ไปอาบน้ำแต่งตัวเนื่องจากทุกคนกำลังจะเดินทางกลับกันแล้ว รอแต่ผมคนเดียวนี่แหละเมื่อแม่พูดจบผมก็รีบขึ้นไปเอาผ้าเช็ดตัวที่พึ่งไว้ชั้นสองของบ้านเพื่อที่จะเตรียมตัวอาบน้าในขณะที่ผมกำลังเดินลงจากชั้นสองก็ได้มีเสียงแว่วดังมาซึ่งผมจับใจความได้ว่าที่หลังอย่าทำอีกนะผมก็วิ่งสิครับจะรออะไรรีบซอยเท้ายัางไวไม่กลัวที่จะตกบันไดเลย หลังจากผมได้จัดการทำธุระของตัวเองเสร็จเรียบร้อยทุกคนตา้งพร้อมที่จะเดินทางกลับก็ตามระเบียบละครับก่อนจะเดินทางกลับผมกับน้องก็ต้องทำตามมารยาทของเด็กไหว้ผู้ใหญ่ทุกๆคนที่เรารู้จักแต่ก็ไม่ลืมที่จะบอกกล่าวปู่ทวดและบรรพบุรุษของครอบครัวผมเมื่อกล่าวเสร็จรถก็สตาร์ททันหี ล่ารถก็ค่อยๆแล่นออกไปอย่างช้าๆผมอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองอยังบานตรงบริเวณชั้นสองที่หน้าต่างเปิดอยู่ผมได้เห็นคนแก่ยืนอยู่สามสี่คนทุกคนจ้องมองมาที่ผมผมรีบหันหน้ากลับอย่างไวแต่เหตุการณ์ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับพ่อผมขับรถออกมาได้สักพักหนึ่ง อยู่ดีๆรถก็ดับดื้อซะอย่า ง, ง น, hey, นั้นเฮ้ยนี่บ m อนะเว้ยพ่อผมพูดขึ้นไม่ว่าจะทำยังไงเจ้ารถคู่ใจของพ่อมันก็ไม่ยอมติดสักทีจนต้องตามช่างมาลากไปที่อู่เวลาผ่านไปสองชั่วโมงก็ไม่มีวี่แววว่าจะเสร็จแต่อย่างใดช่างบอกกับพ่อผมว่าไม่รู้เป็นที่อะไรขอตรวจเช็คอีกทีนะ ถ้าไม่ได้ยังไงต้องรบกวนจอดทิ้งไว้ที่นี่ก่อนนะครับบ้าไปแล้วพ่อผมเอ่ยขึ้นป้านั่งเงียบอยู่พักหนึ่งก็ได้พูดออกมาว่าก่อนที่เราจะขับรถออกมาได้บีบแตรตรงสารบอกกล่าวเขาหรือเปล่าพ่อผมตอบอย่างมั่นใจเลยครับเปล่าลืมสนิทเลยพอพูดจบพ่อกับป้าผมก็ได้ว่าจ้างรถที่อู ให้ไปส่งที่บ้านพอไปถึงก็ไม่รอช้าป้าได้รีบบอกกล่าวในทันทีซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าป้าพูดอะไรเพราะป้าไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับหลังจากบอกกล่าวจบห่อกับป้าก็ได้เดินทางกลับมาที่อู่ไม่นานนากักช่างก็ได้บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงงไปอีกสิครับนี่มันอะไรกัน ทุกคนมองหน้ากันด้วยความแปลกใจแล้วเราก็เดินทางกลับกรุงเทพพร้อมกับเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ยังคาใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเรื่องจริงหรือเรื่องที่เจอนั้นเราฝันไปทุกๆวันนี้ผมก็ยังเดินทางไปๆมาๆอยู่ครับเนื่องจากที่นั่นเปรียบเสมือนบ้านของผมอีกหลังหนึ่งเลยเพราะย่าของผม ได้บอกก่อนสิ้นใจว่ารักษาบ้านนี้ไว้ดีๆนะมันเป็นสมบัติของครอบครัวเราดูแลดีๆนะ 怎么使用？